ใส่ปัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำอยู่อย่างนี้จนวันหนึ่งเขาแจ้งขึ้นเองบางคนก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนจะ็ดปีไม่ได้ทำสิบหปีสิบปีนี่ไม่ใช่ให้หวยนะมันเป็นสถิติครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านทำเวียนส6บปีทำไม่ได้ก็ทำเจ็ดชาติหรือบางองค์ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกสิทธิ์หลวง่มั่นรุ่นเดียวกันเขาหลุดพ้นไปหมดละ เบื่อท่านองเดียวไม่ได้อะไรแต่อีกร้อยชาติท่านก็จะทำนี่ใจต้องห้าวหาญอย่างนี้นการภาวนาโลปูเทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าภาวนาเราทำกันทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าจะรีบๆทําให้มันเสร็จๆแต่แล้วหมดธุระล้ละยิ่งรีบยิ่งช้าหน้าที่เราก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะช่วงไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาหรือช่วงไหนดูจิตดูใจไม่ออกก็ดูกายไป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 ในขณะนั้นมีความรู้สึกเลยว่าถ้ายังยื้อต่อไปปฏิบัติต่อไปต้องตายแน่นอนไม่ตายก็บ้านะนี่คือมัจจุมาลความคิดก็กลับกรอกหลอกลวงเราถอยดีกว่าออกมาอยู่กับโลกลอยู่ในโลกนี้นก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้ภาวนามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วค่อยไปต่อเอาในพรหมโลกก็ได้ไหมไม่เห็นจะต้องมาตายตอนนี้เลยจะได้อยู่ทําประโยชน์ได้อีกเห็นไหม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 ไม่มีใครตัวคนเดียวแล้ะที่จะต้องต่อสู้แล้วเป็นการต่อสู้ที่รูนะ้อนาคตเลยว่าถ้าไม่บ้าก็ตายไม่ใช่ต่อสู้รูนะ้อนาคตว่ารอดนะถ้าต่อสู้รูนะ้อนาคตว่ารอดเนี่ยยังสู้อยู่ในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้อีกละมีแต่พวกบา ร, รมีทั้งหลายที่เราสะสมไว้อย่างเรามีฐานะบา ร, รมีเราเคยเสียสลากระทั่งชีวิตได้นะ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 เดินไปแบบคนมีความรู้รู้รูปทางที่จะเดินไปถ้าไปด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปแบบบัวแบบควายหลายคนภาวนาแบบบัวแบบควเอาแรงเข้าทุ่มอย่างเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญานะคิดว่าเอาแรงทุ่มเข้าไปแล้วจะได้เอาแรงทุ่มเข้าไปได้นักมวยปล้ำมันคงได้หมดแล้วนะมันไม่ได้จริงหรอกมันต้องสังเกตนะสังเกตลงไปได้วย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 เงั้นต้องต่อสู้นะวันนี้ธรรมะเป็นภาคต่อสู้บางวันก็ธรรมะเป็นภาคมีความสุขมัแล้วแต่คนนะวันนี้คนต้องพร้อมต่อสู้เยอะหน่อยะธรรมะก็เป็นเรื่องดุเดือดหน่อยอ่ะไปส่งกันบ้านเดี๋ยวนี้นะหากินง่ายนะักปฏิบัติอ่ะมีอะไรก็มาถามแต่ก่อนครูบาอาจารย์ไม่บอกหรอก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 บางปัญหาอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเจอท่าน3 4, 6มวันก่อนท่านมรณะภาพท่านเทศเทศเทศจนท่านเหนื่อยเราก็จะลากลับสมบัตยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นถามท่านก็ได้นะว่าพบแล้วทาลายยังไงไม่ถามไม่ถามท่านบอกว่าให้จำไว้ท่านไม่ได้บอกให้ถาม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 นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อก็ก็แบบ <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะพูดแทนแล้ว <c oughs> ไงก็มีความบางครั้งก็มีความเพียรในการแบบภาวนาบ้างบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความเพียร น, นะคะก็มักจะแบบง่วงนอนความเพียรนนะี่ย <c oughs> ไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆหลวงปู่มั่นสอนนิยามความเพียรไว้นะบอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรมขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร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 มันก็ต้องถอยไปเรื่อยๆแหลนะถ้าสู้นะมันมีโอกาสรอดมันคล้ายๆเราขึ้นบันไดเลื่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนแต่บันไดนี่เลื่อนลงนะมันต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยนะทุ่มเทเข้าไปนะภาคเพียนภาคเพียนไม่ใช่เอาแบบบัวแบบควายนะหลวงพ่อย้ามากเลยบางคนมีแรงอย่างเดียวไม่ฉลาดต้องรู้จังหวะของเราว่าตอนไหนควรทาอะไรแล้วไม่หยุด เดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดก็ถอยถ้าถอ ย, ถอยครั้งหนึ่งถอยลงม า, ามีแรงเดินก็ถอยลงมาอีกหลายๆครั้งแล้วจะไม่มีแรงเดินมันจะหมดกำลังใจเพราะงั้นภาวนาเนี่ยฮึดๆไว้ฮึดไว้ก่อนเอาให้เต็มที่ไปมิธีภาวนาให้เต็มที่ก็คือภาวนาตั้งแต่ตื่นภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิด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 รู้สึกไว้นะรู้สึกเบอร์เจเห็นไหมชักตื่นเต้นแล้วนะเบอร์ห้าสิบห้าทั้งๆ ท, ท, ที่ภาวานาเก่งพอเบอร์เจถูกเรียกเบอร์ห้ห้าก็ตื่นเต้นด้วยอย่าเงี้ยรู้สึกนะเบอร์26นะ่สิห้กดมันหน่อยๆแล้วอ่ะสงสัยขึ้นมาทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปนะข้างหลังติดเบอร์แต่มองไม่เห็นแล้วบังกันไปบางกันมานะเบอร์28หนีไปคิดจิตห น, ะนีไปคิดแล้วก็รู้สึกเอาเบอร์ห6สิบหกนะ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 ไม่ต้องกลัวจิตเผลอนะยังไงก็ต้องเผลอเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันค่อยๆไหลคราวนี้ไหลนิ่มๆบางทีก็ไหลโฉงฉางเอนี่ยใครรู้ทันมันนะอา้าวแล้วมีอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวไว้มาฝึกกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาทํากันบ้านนะคะเออไปทำกันบ้านน ะ, ะ เ, นเวจะมาส่งกันบ้านค่นะอการบ้านของหลวงพ่อต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะ หลายคนมาบอกเดี๋ยวมาฟังฟังเดี๋ยวจะกลับไปทําค่ะโอพวกหวยแตก <c oughs> <c oughs> ภาวนาเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันรู้เลยไม่มีอ้อคมค้อมไม่มีเสียเวลาสู้ตายนะ <c oughs> วันนี้ธรรมะมีแต่เรื่องสู้ตาย <c oughs> ต้องเป็นพวกเข้มแข็งมาเรียนธรรมะถึงจะเข้มแข็งถ้าพวกอ่อนแอมาก็ต้องโอ้โอ้โอ้โอไปก่อน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 ในที่สุดเราก็จะป้อแป้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้นะใจก็จะตื่นเบิกบานเบอร์เก้าสิบลงไปละเบอร์เก้าสิบปล่อยสิปล่อยให้หมดรู้สึกไมมไปกดมันไว้ไปอัดมันนะคนโบราณเก่งนะเรียกว่าอึดอัดไปอึดแล้วอัดอาไว้อัดแล้วเลยอึดอัดนะไม่หาอย่าหาเอาส่งไปให้เขาทีหนึ่ง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 ทีเขาไปค้นคว้าว่าจะไปดูอะไรสนใจไปเที่ยวกวานควานว่าจะดูอะไรดีกวานทั้งวันเลยครับสาวันวันนี้ครับใ ห, รนะให้รู้ว่ากวานนะให้รู้ว่ากวานนะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะให้รู้ว่ากวานเฉยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ใช่ห้ามมันด้วยแต่ไม่ใช่กวานไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังกวานอยู่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวของมันมีธรรมชาติส่งออกนอกสังเกตไหมมันส่งออกไปกวาน ให้รู้ทันเนี่ยเนี่ยไปละไปแล้ ว, ลวให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออกไปอรอกครับแต่ไม่ดึงเมื่อกี้มัวแต่กวานเลยฟังไม่ออกไม่ใช่หลวงพ่อถึงบอกกันเมื่อกี้เมื่อกี้เขาหมวเที่ยวไล่กวานอยู่เลยฟังหลวงพ่อไม่ออกจิตนั้นมันมีธรรมชาติส่งออกนอกนะเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่ไปไหนแต่พอจิตมันเคลื่อนไปนะให้รู้ทัน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 ใหม่ๆก็ยังอดแทรกแซงไม่ได้ก็รู้ไปนะใช้ได้แล้วของคุณก็ดีขึ้นละเผลอแล้วรู้สึกไหมตอนส่งไม้นวลเบอร์เก้าสิบใจลอยไปแล้วเอาเบอร์ห้าสิบสองค่ะแล้วมาสักการหลวงพ่อค่ะเอออยากจะทำนิดเดียวค่ะว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะดูไปเรื่อยๆนะแล้วเห็นกิเลสวาเลกี่ครั้งเห็นนิดเดียวค่ะจริงๆเห็นแค่โกรธกับเผลอค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นค่ะ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 มันเหมือนแ น, น่นๆอยู่ครับอืแน่นเพราะเราบังคับนะขมไหมดุ๋มไหมขมเอเห็นว่ามันกดอยู่แต่ไม่รู้มันนั่นเรไปกดมันเลยไม่ต้องดีก็ได้นะทําตัวสบายๆปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปผู้รายก็ออกมาเรื่อยๆครับอะไรนะผู้รายก็ออกมาคน<ล>ผู้ร้ายเยอะนะให้มันออกมาพอเรารู้ทันเหมือนเราฟาดกระ บ, บา น, ม, นมันให้มันหลัวมาเรื่อยๆ ย, ยิ่งดี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 เปิดโปงนะรัฐกลัวไหมก็ก็ร้ายเหมือนกันนะคะมีคนไหนไม่ร้ายไม่มีหรอกนะร้ายๆแหละเรารู้เอาอย่างคุณตรงเขาภาวนา ง, ง่ายเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ดู ง, ง่ายบางคนมีโมหะไม่โมโหใครนะวันๆเฉยๆซึมๆเสื่องๆภาวนายาก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 ถึงจะตื่นเต้นแต่ว่าเป็นกลางมากขึ้นแกรบสมาสการหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อครั้งแรกวันที่ห้าพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ฟังทุกวันเลยค่ะ ม, ม, มากราบหลวงพ่อทุกไใจ ม, มาส่งกันบ้าน ม, มาคราวนี้ก็ <c oughs> รู้สึกว่าเห็นกิเลสเยอะมากอะค่ะแล้ก็เห็นแล้วก็สนุกด้วยว่าอเอ๊ะทาไมมัน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 ฟังทุกวันเลยค่ะ อ, อ๋อมิหน้าละภาวนาดีวางของปุ๊บจากบ้านก็เปิดไว้ก่อนอนะแล้วดูไปอย่างนั้นอย่าไปทำอะไรมากกว่านี้นะรู้ลงไปอย่างเนี้ยคือตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นผลไม้บ่มรอสุกแต่ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่เน่าไปแล้วหรือว่าไม่ยังไม่ผลิดอกอะไรอย่างยังไม่เน่ายังไม่เน่านะค ะ, ะนั่นแหละรอไปอย่ารีบร้อนนะอย่เอาไปบ่มซะก่อน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 ลืมไปเลยเมื่อกี้ก็ว่าตอนนี้มันมันตื่นเต้นมากอืของคุณเบอร์แปดนะค่อยดีขึ้นมาแล้วค่อยค่อยรู้สึกแบของคุณบังคับเกินจริงอยู่นิดนึงนะดูออกไหมตอนตอนนี้ค่ะหายตื่นเต้นยังยังหัวใจเต้นดุผมันมันแน่นมันอึดอัดไปหมดเลยแล้วไงภาวนาอย่างไงแต่ละวัน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 เราบังคับไม่ได้เราดูจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยมันไม่ใช่เราหรอกแปกส่งต่อได้อีกคนสองคนหมดเวล า, าล้อมกันลมหายใจ ก, กร็รู้ว่าหลงบ่อยขึ้นนะคะก็มีหลงคิดหลงกโกรธ อ, อ่บางครั้งเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่ารู้อะไรพือเหมือนเฉย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 รู้ลงไปหน้าทีลักษณะทีลักษณะเบอร์แปดสิบเอดกดเอาไว้รู้ว่ากดอา้าวถัดไปนู่นคนลบบุรีใจลอยเบอร์ยิบสีใช้ได้ละดูไปเรื่อยๆได้แค่นี้นะพอละเฉิดกับบ้านหมดแรงแล้วเอ้ยเหนื่อย